ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่ า, ทานผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องบริหารจิตต่อไปและกล่าวถึงเรื่องวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งทรงจัดไว้ทั้งในกลุ่มของนิวรณ์และกลุ่มของสังโยชน์กลุ่มนิวร์นั้นแปลว่า เป็นสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีได้ในระดับสังโยชน์เรียกว่าเป็นกิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ในระดับอนุสัยเรียกว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาษของคนของสัตว์ซึ่งแสดงเห็นว่ากิเลสประเภทวิชกิจานั้น แม้จะอยู่ภายในใจก็มีความหยาบความกลางความละเอียดจูกการปฏิบัติเพื่อขจัดวิจิกิจารจิงจะเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนตามที่ทรงแสดงไว้เฉพาะในหมวดของนิวรณาปภะคือหมวดที่ว่าเรนนิพรธ์ก็ทรงสอนให้ดูจิต ในขณะที่ถูกอุเบกขาในในขณะที่ถูกวิจิกาครอบงำให้มีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนั้นว่าวิจิกานิวรณได้บังเกิดขึ้นแล้วภายในจิตแต่นุดในตัววิจิกานั่นเองก็กระจายตัวเองออกไปในหลายเรื่องที่ท่านสรุปเป็นแปดเรื่องใหญ่ คำว่าแปดเรื่องพึงเข้าใจว่าบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องตรงตัวอย่างนั้นแต่มีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับแปดหลักใหญ่นั่นเองนั่นคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสรงฆ์ในไตรสิคาในชีวิตอดีตอดีตใกล้ก็คือวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนอดีตไกลก็คือชาติก่อนนชาติก่อนก่อนโน้นปี ในเรื่องอนาคตหมายถึงวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าตลอดถึงชาติหน้าแล้วก็ชาติน้าหน้ า, นาต่อไปมีความสงสัยทั้งอดีตอนาคตซึ่งหมายความเป็นความสงสัยที่ต่อเนื่องกันของการทั้งสามความสงสัยนั้นปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่สิ่งที่เราสงสัยนั้นเป็นเรื่องของอดีตปั า, าคตบัง แต่นในสุดก็มาสงสัยอยู่ในกฎของเหตุผลที่เรียกว่าปฏตยยาการดังความแปรงสงสัยของบุคคลจะกระจายตัวเองเออกไปอย่างไรก็ตามจะเชื่อมโยงกับแปดประการนี้อยู่คอยรู้ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณชานิวรณ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วภายในจิตในขณะเดียวกันก็มองให้เห็นเป็นโทษ โดยทรงอุปมาไว้ว่าเมื่อเราโดยสภาพของจิตลักษณะของวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นเป็นเหมือนกับน้ำที่ขุ่นข้นโดยโครนตรงม้ยควา ม, มาน้ำก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่มีโครนตรมอยู่มากทำให้บุคคลผู้ต้องการจะมองดูเงาหน้าของตน ก็จะเห็นเงาหน้าได้ไม่ชัดเจนซึงมาความมาโดยสภาพจิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่นั้นบุคคลจะเห็นเหตุผลในแต่ละเรื่องไม่ชัดเจนจะมองได้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่กละลั้นเลยไ ป, ไ, ป ไ, ดได้หลายมุมทำาไมการแก้ปัญหาบางอย่างไปการสร้างปัญหาขึ้นมาได้ ถ้าเป็นการรักษาโรคก็เรียกว่าเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาหลังจากได้วางยาไปแล้วสึ่งโรคแทรกซ้อนนั้นอาจจะรุนแรงเจ็บปวดมากกว่าโรคที่เป็นอยู่ก่อนในซ้าไปแตนป่นี่เป็นเพราะขาการมองโดยรอบด้านเพราะสิ่งตั้งหลายนั้นเขามีอยู่หลายด้านคือมีรอบด้านขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของสิ่งเหล่านั้นว่าจะกลมหรือจะยาวหรือจะ เลขใหญ่ก็ตาาหคือจะเป็นกี่เหลี่ยมก็ตามจะมองต้องมองเห็นก็ทุกเหลี่ยมของสิ่งดอดนั้นที่สำนวนปัจจุบันท่านพูดว่ามิติคือต้องมองเห็นทุกมิติของสิ่งดอดนั้นเนื่องจากเป็นอาการของจิตที่เหมือนกับโคลนตมการมองยึงมองไม่ชัดอาจจะมองผิวเผินแต่ข้า ง, งบนเกินโคลนตม แต่ใต้โคนโตมีอะไรเราก็ไม่รู้ก็มีโคนโตมปิดบังเอาไว้อาจจะแย้มือลงไปแย่เท้าลงไปแล้วเกิดอันตรายขึ้นมาก็ได้ในสภาพการเดินของจิตสรงุปมาไว้ว่ามันเหมือนกับทางที่ทุรกันดานครูกระดหลุงบอกปากนา้ำนาประกา การจะผ่านก้าวไปแต่ทีและก้าวนั้นจะเดินด้วยความยากลําบากอาจจะสูญเสียการทรงตัวประสบภัยอันตรายขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ดันั้นบางครั้งจึงส่งอุปมาว่าเหมือนทางที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่ข้างหน้าเราเดินไปเท่าไหร่ก็ใกล้อันตรายจากเสือโคร่งมากขึ้นเท่านั้น ว่ามาทั้งหมดเป็นสังเกตว่าจะใช้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นสื่อโดยบุคคลบุคคลมองเห็นในแง่ของความเป็นโทษเป็นประ ก, การสําคัญเรื่องของกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไรก็ตามบุคคลจะต้องเห็นเป็นโทษเพราะโดยสภาพของเขาแล้วก็เป็นโทษในกรณีของความเครื่อนแคลนสงสัยที่ยกไว้เมื่อคืนก่อนนั้นได้เน้นไปที่ ประคุณของพระพุทธเจ้าเพราะต้ตนเหตุทเกิดความสงสัยนั้นเกิดขึ้นจากอโยนิโสมณสิการคือการคิดไม่รอบครอการคิดไม่รอบดันการมองตัวเองเป็นฐานแทนที่จะมองพระพุทธเจ้าเป็นฐานในการคิดทําให้บุคคลเกิดความสับสนในการคิดลักษณะเหล่านี้เพิงสังเกตว่า ค่้ายๆกับเรายืนอยู่ในจุดคนและจุดกันแม้จะเป็นการมองภาพเดียวกันแต่การเห็นของบุคคล น, นั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเรายืนอยู่ในจุดใดก็จะมองเห็นในจุดนั้นแต่คนที่มองในคนและจุดนั้นเองบางครั้งก็ปฏิเสธคนอื่นที่ยืนในจุดอื่นยามที่พูดถึงเรื่องเดียวกัน แล่จุดที่เราไปเสด็จนั้นเป็นจุดที่เราเองก็ไม่เห็นเพราะเรายุดในจุดที่ไม่สามารถจะเห็นสิ่งเหล่า น, นั้นได้จิตใจของบุคคลที่มีวิจิกิจชาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเจะไปยืนยันได้ในบางเรื่องหรือเข้าใจในบางเรื่องจะเกิดความเรื้อปลงสงสัยไม่แน่ใจในบางเรื่องหรือในหลายๆเรื่อง และอาจจะปฏิเสธในบางเรื่องซึ่งว่าที่จริงก็อยู่ในสิ่งเดียวกันนั่นเองลักษณะของธรรมะจึงเป็นคำพีโรค็นลึกซึ้งเป็นสิ่งที่บุคคลรู้ได้ยากรู้ตามได้ยากเพราะเป็นธรรมะที่ส ง, งบประนีตบุคคลไม่อาจจะนึกเดาหรือคาดะนเองเอาดได้ เป็นเรื่องที่จองใช้ปัญญาพิจรณาสดสองมองรอบด้านหรือมองรอบครอบเวลาท่านใช้คํานั้นท่านจะใช้คําให้เห็นว่าไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่ต้องมองรอบตัวซึ่งการมองในแนวนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นการมองด้วยใบวิธีที่แยกคายสามารถเชื่อมโยงเหตุผลกันได้ เหตุแล้วเชื่อมโยงก็ไปหาผลได้หรือผลปรากฏมองย้อนกลับก็ไปหาเหตุได้ผลที่เกิดขึ้นในลักษณะนั้นมาจากเหตุอะไรหรือว่าเหตุเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลเป็นอย่างไรหรือสังเกตว่าที่จริงมันจะปรากฏเพียงอย่างเดียวเช่นมองจากเหตุไปหาผลผลนั้นปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่เหตุเป็นเรื่องอดีตคือเรื่องที่ผ่านมาแล้ว แต่ผู้มองจะต้องย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตได้เรื่องมองเหตุเหตุนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ผลนั้นยังไม่เกิดขึ้นผลจะมีในอนาคตจะใกล้หรือไกลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้มีปัญญาจะต้องสามารถมองเหตุนั้นแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปหาผลซึ่งยังไม่เกิดได้ลอง น, นั้ๆการมองต้นไม้ที่เราปลูกลงไปต้นไม้เป็นเหตุ ผล น, นั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ต้นไม้ปรากฏในปัจจุบันเมื่อบุคคลปลูกไปแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าต้นไม้ชนิดนี้ต่อไปก็จะออกผลเป็นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแตการมองต้นไม้ที่จริงก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่บุคคลเหล่านั้นมีความรอบรู้ในเรื่องสิ่งเ่านั้นหรือตั้งเหตุทั้งผลมาก่อนแล้วแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจจึงมีการตัดสินนิจัยไปได้ แต่เรื่องมาตธรรมานั้นบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เหตุผลคือเห็นผลแล้วอาจจะไม่เห็นเหตุเห็นเหตุแล้วก็เชื่อมโยงไปหาผลไม่ได้จาย์ังสอนให้มองในแง่ของความมีผลที่มีความเชื่อมต่อกันโดยการคิดที่เป็นระบบคือคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและจะพิสูจน์ทดสอบโดยวิธีใด จะจะเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงกับหลักเหล่านั้นกรนี้ผมสังเกตว่าอย่างประษาสัมผัสของเราที่เราจะพิสูจน์สิ่งทั้งหลายนั้นถ้าพิสูจน์รูปก็ต้องใช้ตาถ้าพิสูจน์เสียงก็ต้องใช้หูพิสูจน์กลิ่นก็ต้องใช้ใจมกูกพิสูจน์รสก็ต้องใช้ลิ้นพิสูจน์เย็นร้อนน่อนแข็งก็ต้องใช้กายเป็นแกนนําในการพิสูจน์ทดสอบเรื่องเหล่านั้น ประสาส่วนอื่นจะเป็นเรื่องประกอบไม่ใช่เป็นโัวแกนหลักในการพิสูจน์ตรวจสอบเรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจที่เราเรียกว่าเจตสิกธรรมก็สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจคนเมงก่การจะดูธรรมะให้เห็นจะต้องดูที่ใจดูลักษณะดููอาการดูผลที่ปรากฏดูเหตุที่เกิด อันปรากฏภายในจิตกระจายของเราในขณะนั้นๆั้นแล้วนำไปเที่ยวเคียงกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้เห็นยกตัวอย่างว่าสวัคาโตพระวตาธรรมโอพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคจ่าทรงแสดงไว้ทีแล้วโดยมีการจำแนกออกไปเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนละปยากรตธรรม เราก็ยกแต่และข้อขึ้นมาคิดป็นนิพิจาร์อย่างมีเหตุมีผลแต่จะต้องมองทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่มีโทษโดยส่วนเดียวหรือมีคุณโดยส่วนเดียวบางอย่างมันมีโทษในระดับหนึ่งแต่มีคุณในระดับหนึ่งการมองยังต้องมองตลอดสายของมันอย่างที่ทรงอุ ป, ปมาว่า ใกิเลสด้วยความโกรธนี่ที่บุคคลสามารถแสดงออกซึ่งความโกรธในลักษณะรุนแรงก้าวร้าวโดยประการต่างๆนั้นนั้นเหมือนกับกินอ้อยที่มียอดหวานแต่ว่าที่โกรธมันเป็นพิษเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเฉพาะช่วงยอดมันก็เจอเฉพาะรสหวานแต่ถ้ามองไปที่โคนก็จะเจอกระยาพิษ การจะรู้ว่าอ้อยนั้นเป็นพิษก็ต้องมองตลอดถึงโคตรของอ้อยชนใดการมองผลแห่งกุศลและกุศลที่ปรากฏแก่จิตคือในแง่ดีหรือแง่ไม่ ด, มดีก็ตามก็ต้องมองในรับขนาดนั้นกรณีบนสังเกตดูง่ายๆเช่นส่วนที่เป็นอกุศลที่เป็นรูปธรรมเป็นความเคลื่อนไหวเป็นพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมเช่นทรงแสดงว่าความเป็นนักเลงหญิ ง, งนักเลงการผล ป, ป น, นัน ก็ผลชั่วเป็นมิจฉาคลานทําการงานเที่ยวกลางคืนตื่การเล่นต่างๆนักเลงดื่มสุราเป็นต้ทนทรงแสดงว่าเป็นอบายยมุกในแง่ของการคิดก็คือหยิบมาทีละอย่างอาจจะมีตัวอย่างบุคคลที่เราสนิทสนมคุ้นเคยซึ่งตกเป็นทาสของอบายมุกเหล่านั้นก็ได้ข้อหนึ่งขึนข้นมาดูเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่มองเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง จะต้องมองเป็นช่วงยาวๆเพราะเลยเพราะาการพนันบางครั้งมันก็ได้ถ้าตัดสินเอาเฉพาะตรงนั้นก็กลายเป็นเรื่องดีไปแต่ต้องมองถึงช่วงที่เขาเสียด้วยแล้วเสียก็ได้มาบกลบคูนานกันแล้วก็มองโทษในแง่มุมอื่นก็จะเห็นว่าในแง่ข้อความจริงทีแท้จริงแล้วการตกเป็นทาสของการพนันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ก็คงเป็นอบายมุกอย่างที่ทรงแสดงไว้ท่านเองเวาจะมองในแง่อื่นที่ว่าตัณหาเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วจะบังคับจิตให้สายไปแล่นไปในร ง, งต่างๆก็ดูตัณหาที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าเราสังเกตว่าเช่นเกิดที่รูปซึ่งมีความประนีต ที่จะดิ้นจะทะเยอทยานอยากในรูปหลอนนั้นแต่ลักษณะของแกก็คือดิ้นแกจะไม่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าได้นำรถนนบุทธานุชาซึ่งมีความคล้องความยึดติดอยู่ในเจ้าสาวที่แต่งงานกันใหม่ๆแต่ยังไม่ทรงตัวเจ้าสาว ดดเดินพระเจ้าใช้วิธีนามยอดกับนําบงแล้วท่านพอใจติดใจในความสวยงามของเจ้าสาวก็ทํานําไปดูสาวคือนางเทพ อ, อักษรต่างๆถามรณนทว่าเป็นไงสวยไหมสวยชอบไม่ชอบอยากได้มั้ยก็อยากได้แต่พระองค์ก็นําไปเรื่อยแล้วถามท่านก็อตอบเลทํานองเดียวกันแม้ความอยากได้หมดทุกคนเลย ปรากดว่านําไปดูนางอักษรเป็นรอยๆท่านก็ชอบหมดอยากได้ทั้งหมดนี่หมายความว่าไงหมายความว่าจิตท่านดิ้น่อยคว้าปรารถนาไปเรื่อยต้องการรูปสวยๆรูปสวยๆก็ไม่หยุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันก็สวยไปเรื่อยเสียงไปร้องเองก็มีลักษณะอย่างนั้นต้องการเห็นธรรมะคือจริงหรือไม่จริงนั้นจะต้องดูที่จิต ยกตัวอย่างให้ชัดชัดเจนขึ้นมาในกรณีของวิจิกิจชาที่ทรงยกอุปมาว่ามันเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยโคลนตรงมีความขุ่นข้นมีความขุ่นมัวมีความสุกปรกอยู่มองอะไรก็ไม่ได้ชัดเจน จะเราจะสงสัยในธรรมะก็อใดข้อหนึ่งสงสัยในการงานอย่างใดอย่างหนึ่งสงสัยในยาอย่างใดอย่างหนึ่งสงสัยในถนนนุนทางเป็นต้นจะทำให้ขยับเขยื่อนไปไม่ได้การจะทำการจะพูดหรือการจะคิดในเรื่องนั้นๆจะก้าวเดินไปไม่ได้เพระาะอะไรเพราะขาดความชัดเจน ที่พอต่อการจะวินิจฉัยตัดสินแล้กวก็เลือกทรรมเลือกเดินเลือกรับประทานไปตามสมควรแก่กรณีตอนนั้นหรืออาจจะยกนิวรณขอ้ออื่นขึ้นมาดูก็ได้เช่นการมาฉันที่ทรงอุปมาว่าเหมือนน้ำเจือสีมีสีต่างๆจิตใจที่กำหนดความอยากในอารมณ์ทั้งหลาย เวลาเกิดเป็นกรม น, นขึ้นมานั้นสมมติโดยรูปจะนิดเดียวกันแต่เราก็ต้องการสีต้องการขนาดที่แตกต่างกันบางครั้งอาจจะซื้อสิ่งเดียวกันที่เป็นชุดๆเช่นเราซื้อตะลุกมุกเป็นชุดๆโดยรูปร่างส่วทรงปริมาตรแล้วโดยรูปร่างแล้วก็เหมือนกัน โดยสูดทรงแล้วก็เหมือนกันแต่โดยขนาดก็แตกต่างกันขนาดนั้นก็ชอบขนาดนี้ก็ชอบขนาดนั้นก็ชอบก็เลยซื้อมาเป็นชุดเลยมีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายอันงื่อกระใจที่อันเหงื่กับ น, น้ำที่เจือด้วยสีต่างๆเพราะแม้แต่สิ่งชนดิดเดียวกันจึงมีการสแสวงหาโดยวิธีการที่ แตกแยกออกไปตามพื้นฐานการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นหรือดูที่ทรงอุ ป, ปมา เ, าเหมือนใจที่ตกเป็นนี่าการตกเป็นนี่เป็นศีลบุคคลอื่นเราก็ยกมาดูว่าเวลาความอยากกำเกิดขึ้นนั้นจะถูกความอยากบังคับผลักไสเสือกายให้เล่นไปในอารมณ์ต่างๆอยากได้นน้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้ไปเรื่อย แล้วก็ต้องซื้อต้องหาต้องจับจ่ายใช้สอยที่ดียวจนถึงจุดหนึ่งกำลังเงินไม่พอแล้วแต่ความอยากแกล่นไปแรงคนก็พร้อมที่จะกู้นี่ยืมสินเขาแต่ก็มีความอยากบางระดับที่ไม่ยอมกู้นี่ยืมสินความอยากได้นั้นคงรุนแรงแล้วคุมไว้ไม่ได้ ก็ออกมาในรูปของการฉกชิงการปร้นจี้การยับเจอบการลักซ่อนการลักทรัพย์การทับเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่เรามองกลับมาที่จิตเราจะเห็นว่านั่นคืออาการของความอยากที่บังเกิดขึ้นมีความเข้มข้นมีความรุนแรงแตกต่างกันและพวกกิเลสตัวนี้จะมีความเป็นสากลจะเกิดขึ้นขึ้นแก่คนแก่สัตว์แก่คนนักถือศาสนาอะไเกิดขึ้นในส่วนในดของโลกก็เหมือนกันก็จะมีอาการอย่เดียวกัน หรืออาจจะมองไปจากข้างนอกเช่นกิเลสประเภทยพยาบาทบความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจความหงุดหงิด ต, ต่างๆสมุปมาว่าเหมือนโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายก็จะถูกเสียดแทงให้เกิดความเจ็บปวดร้าวร้อนทุกเวทนาด้วยตัวเอง เพรา้นคนรอบข้างของเราจะมีอยู่มากเท่าไหร่ก็ตามไม่มีใครสามารถแบ่งเบาได้ปริมาณความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเท่าไหร่ก็แผดเผาเท่านั้นอาจจะแบ่งเบาให้ใครได้ยาพี่น้องก็ช่วยเหลือไม่ได้หมอพยาบาลอะไรต่อไรก็ช่วยเหลือไม่ได้ซึ่งก็เป็นทรรนองเดียวกับโรภคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นหมอก็ช่วยได้แค่ให้ยา แต่ว่าแบ่งความเจ็บปวดนั้นเฉลี่ยกันไม่ได้เพราะอาการที่จิตประกอบด้วยความโกรธความพยาบาทซึ่งแผดเผาหลนจิตใจของเรานั้นเราก็ดูในตัวพยาบาทเหลนั้นดูในรูปของลักษณะคือการแผดเผาดูลักษณะคือความเร่าร้อนหรืออาจจะดูในแง่ของความแปรผันก็ได้เพราะอไรเพราะมันเป็นสังขาร แต่แทที่จะมองในแง่ของสมุทยศัตร์มองในแง่ของทุกขศาตร์แต่ว่าดูในประเด็นของการแปรผันแปรผันเปลี่ยนแปลงไปกรเห็นว่าพวกนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นรือมีความโกรธรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแต่ไม่คงอยู่ในระดับใดระดับหน ยิ่งกายจะขึ้นหรือจะลงเท่านั้นกายจะมีความเปลี่ยนแปลงของกายอยู่ทุกขณะทุกขณะจิต ท, ทีเดียวลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรร ม, มาวิตกุกคือการตรึกนึกถึงธรรมมาดูให้เห็นที่ใจแล้วเป็นเรื่องประจักษ์แก่ใจที่เราเรียกเป็นความเข้าใจเมื่อความสิ่งนั้นเข้าไปอยู่ในใจแล้วเราก็มองเห็นได้อย่างชัดเจน มันสิ่งที่เป็นโทษเป็นคุณจึงเน้นหนักไปที่การประจักษ์แก่ใจอะไรก็ตามถ้าเราเห็นโทษถึงคุณประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมในพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่การสอนการบอกทางการชี้ทางให้แต่การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่นั้นก็อยู่ที่บุคคลเหล่านั้นสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นคุณชัดเจนประจักษ์แจ้งแก่ใจหรือไม่ แล้วเกิดฉันทัพพอใจในส่วนที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นหรือไม่จะมีความพอใจมีความยินดีในกุศลธรรมก็จะเกิดความเพียรพยายามความกระตือรืรน้นที่จะสัมผัสผลแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นในตัวก็เองจิตใจจะจดจอด่อจะมุ่งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นและพิจารณาหาวิถีทางทุกวิถีทางที่จะเพิ่มพูน สิ่งดีงามเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายในใจตลอดถึงเพิ่มพูนมากขึ้นไปโดย ด, ำดำั่งๆท่านผู้ฟังทั้งหลายในหลวงประพฤตญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบุญในธรรมจะมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี